สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีลธริบาลนะครับในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูครั้งที่ห้าสิบเอ็ดนะครับภายใต้หัวข้อย่อยคือการอัศจรรย์ครั้งที่สองของพระเยซูเราคงจําได้นะครับว่าการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูนั้นพระเยซูได้ทรงเปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นน้ําอุ่นนะครับที่การสมรสที่หมู่บ้านคานาเวลานั้นพระเยซูทรงอยู่กับคุณแม่หรือมารดาของพระองค์ด้วย ในพระธรมยอห์นนะครับบันทึกถึงการอัศยานครั้งที่หนึ่งและการอัศยานครั้งที่สองของพระเยซูการอัศยานครั้งที่สองของพระเยซูนั้นอยู่ในบทที่สี่ครับของพระธรมยอห์นข้อที่สี่สิบสามจนถึงข้อที่ห้าสิบสี่นะครับ <c oughs> พี่น้องครับการแัศยานครั้งที่สองที่พระเยซูทํานั้นทําให้เราเข้าใจว่าความเชื่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการหายโรคนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเรื่องราวของการยันและเกี่ยวข้องกับการหายโลกนี้นะครับเราก็ควรจะต้องสํารวจชีวิตของพวกเรานะครับว่าความเชื่ อ, องเรานั้นเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราได้อ่านมามากมายเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคซึ่งพระเยซูวใจส่งกระทํานะครับในสมัยก่อนคนยิวนั้นเชื่อว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผลสืบเนื่องจากความบาปเพราะฉะนั้นเขาจึงมักกล่าวโทษผู้เจ็บไข้ได้ป่วยว่าพวกเขานั้นได้ทําบาปหรือไม่อย่างนั้นก็มา มาจากคุณพ่อหรือคุณแม่ของเขาที่ทำบาปการรักษานั้นก็รักษาด้วยสมุนไพรน้ำมันยาการอบด้วยไอร้อนและวิแทกวิธีการต่างๆนะครับและก็นักประวัติศาสตร์ได้เล่าให้พวกเราทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ฟังว่าหลังจากที่เรื่องราวของนาอามานนะครับท่านคงจำได้นะครับนาอามานซึ่งเป็นขา้าราชการของซีเรียนะครับหายจากโรคเรื้อน เนื่องจากไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอดแดนนะครับในพระธรรมสองรงศษผลที่ห้าข้อสิบห้าถึงสิบห้านีครับนักกว่าศาสตร์เล่าว่าหลังจากที่นามานหายจากโกรคเลือนตลอดหลายปีก็มีผู้คนไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอดแดนนั้นเพื่อดีหวังว่าตนเองจะหายโรคบ้างนี่การเรียนแบบนะครับคิดว่าการอาจารย์นั้นก็จะมาถึงชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นความเชื่อของเขา คนในสมัยพระเยซูครับก็เจ็บป่วยที่โรคนานาชนิดเช่นโรคเรื้อนโรคตาปวดท้องพิการนะครับเป็นง่อยปาเลสไตน์นั้นก็มีแพทย์มีหมอครับแต่พวกเขามักจะพึ่งการรักษาทางสยศาสตร์ยกตัวอย่างครับการรักษาเด็กป่วยโดยการกระทําเอาเสื้อผ้าของเด็กมาฉีดเป็นแถบยาวๆแขวนไว้บนกิ่งไม้ให้ปลิวไปตามลมโดยมีความเชื่อว่าโรคของเด็กนั้นจะเข้าสู่ต้นไม้นะครับแล้วชีวิตอันเปลี่ยนพลัง เปี่ยมด้วยพลังของต้นไม้ก็จะเข้าสู่ร่างกายของเด็กผลก็คือปรากฏว่าเด็กตายสูงครับแล้วก็หลายคนตายเพราะว่าพิษไข้และโรคาภัยไข้เจ็บต่างๆนี่คือเบื้องหลังของสภาพชีวิตนะครับของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในสมัยของบาเลีตายเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูทรงรักและสงสารคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงพบพระเยซูก็จะ แวะและให้ความช่วยเหลือผลปรากฏว่ามีผู้คนมากมายติดตามพระเยซูมาเพื่อรับการรักษาครับบางคนก็พาเพื่อนฝูงมาบางคนก็มาขอพระเยซูให้รักษาโรคของญาติี่น้องหรือลูกของเขาบ่อยครั้งเองเมื่อพระเยซูได้ทรงห้ามผู้ที่หายโรคแล้วว่าอย่าแพร่งพรายให้คนอื่นคนใดรู้เพราะว่าพระองค์ต้องการให้ประชาชนมาฟังคาสอนของพระองค์ มากกว่าที่จะติดตามโปร่งเพียงเพื่ออยากจะเห็นการอัศจรรย์เพียงเพื่ออยากจะให้พระเยซูทรงรักษาเขาจากบทเรียนบทที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงรักษาความเจ็บป่วยฝ่ายจิตวิญญาณของหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ํานะครับแต่ในวันนี้พระเยซูเสด็จเข้าสู่กาลิลีนะครับโดยผ่านทางหมู่บ้านคานาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเราทราบนะครับว่าสาวกของพระเยซูทั้งสิบสองคนนั้นก็ตามพระเยซูมาด้วย แต่มีคนหนึ่งครับก็คือยูดาสอิสคาริโอตซึ่งไม่ได้เป็นคนกาลิลีครับเขาเป็นคนยูเดียซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศอิสราเอลในสมัยนั้นโดยที่มีชมาเรียนั้นเป็นแคว้นที่ขั้นท่านกลางไว้นะครับพี่น้องครับเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทําการอัศจรรย์ทั้งทั้งที่ประทับอยู่ที่คาบเป็นาอูมนะครับทําการอาจรย์อาจรรย์เกิดที่คาเป็นาอูมนะครับทั้งที่ประทับอยู่ที่คานานะครับขอโทษครับ พระเยซูทรงกระทำการอัศจรรย์นในคาบเปอร์นาอูครับ ท, ทั้งที่ประทับอยู่ที่หมู่บ้านคานาข้อที่46ถึงข้อที่54นะครับของพระธรรมยอห์นพี่น้องครับเราจะมาดูนะครับในแต่ละข้อของอพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ46ถึง54นะครับข้อ46นั้นกล่าวว่าพระเยซูเสด็จมาที่บ้านคานาอีกครั้งหนึ่งบ้านคานาเราคงทราบนะครับเป็นเมืองเล็กๆอยู่ห่างจากนาซาเลปไปทางเหนือเราว14กิโล ย้อนเล่าว่ามีข้าราชการคนหนึ่งในเมืองคาเปอร์นาอูมลูกชายของเขาป่วยหนักครับคาเปอร์นาอูมนั่นก็อยู่เป็นเมืองที่อยู่เหนือคนาเมืองคนานะครับหรือหมู่บ้านคนาไปขึ้นไปนะครับทางเหนืออีก40กิโลเมตตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลแกลิลีนะครับทะเลสาบแกลิลีข้าราชการผู้นี้เดินทางมายัางคานาเพื่อ ทูลขอให้พระเยซูไปรักษาลูกชายของเขาโดยปกติแล้วเขาคงไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับพระเยซูนะครับคงไม่ถึงกับทิ้งการงานของตนไนคาเปอร์นอูมาฟังพระเยซูสอนแต่เนื่องจากลูกชายของเขาป่วยหนักครับอาจจะถึงแก่ความตายคารลสการผู้นี้จึงเดินทางมาทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปรักษาลูกชายของตัวเองพไปลองขับอานมองแผนที่ปาเลสไตน์แล้วเราจะรู้ว่าคานาหรือหมู่บ้านคานานั้น อยู่ในหุบเขาส่วนคาเปรอร์นาอูมนั้นอยู่ริมทะเลสาบกิลลี่ทะเลสาบกิลลี่พี่น้องคงจําได้นะครับมีชื่อเรียกถึงสี่ชื่อด้วยกันครับขอพี่น้องกลับไปทบทวนนะครับหากพระเยซู ป, ปรารถนาที่จะเสด็จไปคาเปรอร์นาอูมต้องเดินลงจากเขาไปยังริมชายฝั่งทะเลถ้าพระเยซูเสด็จไปตามคํา อ, อ้อนวอนของเขานะครับก็คงต้องใช้เวลานา น, านพอสมควรอยู่พี่น้องครับ พระเยซูเสด็จไปตามครัำ อ, อ้อนวอของเขาหรือเปล่าครับในข้อที่48นะครับพระองค์ตรัสว่ายัางไงครับลองฟังดูนะครับพรงคตรัสว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสําคัญในการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อพระเยซูทรงทราบว่าหลายคนที่ตามพระเยซูมานั้นไม่ได้เชื่อพระองค์อย่างจริ ง, งจังหรอกครับเพียงแต่เขาชอบดูของแปลกของอัศจรรย์นะครับเหมือนกับบ้านเราก็คือพวกไทมุง ในสมัยนั้นคงจะเรียกว่าพวกยิวมุงนะครับแต่ยังก็ตามครับเมื่อไม่ <c oughs> แม้ว่าพระเยซูจะพูดคำนี้แต่ข้าราชการผู้นั้นยังคงทูลปรงคว่าองค์เจ้าค่ะขอเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าคจะตายพระเยซูทรงทดสอบความเชื่อของชายผู้นั้นโดยตรัสว่ากลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายพี่น้องครับหากเป็นท่านเองหรือข้าพเจ้าเราจะยอมเลิกลาโดยง่ายดายหรือไม่ เราจะลองยอมเลิกเลิกลาโดยง่ายได้หรือไม่หากเวลาที่เราขอร้องแพทย์คนหนึ่งให้มาดูอาการลูกที่กำลังจะตายเราจะพอใจไหมหากว่าแพทย์คนนั้นตอบว่ากลับบ้านเถิดลูกของคุณเนี่ยทุเราเป็นปกติแล้วพี่น้องครับหากเราไม่ได้พิจารณาพระัมพีตอนนี้อย่างถีท่วนเราก็จะพลาดความตื่นเต้นยินดีที่ได้เห็นความเชื่อของขารการผู้นี้ก่อนที่พวกเขา หรือก่อนที่ลูกของเขาจะรับการอัศจรรย์หรือรับการรักษาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นเขาเริ่มมีความเชื่อครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องมีหากว่าเราปรารถนาที่จะเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูในพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจเรานะครับว่าพระเยซูสามารถการทําการอัศจรรย์ในคาบานูอุมได้ ทั้งๆ ท, ที่ประทับอยู่ที่คานาคือพระเยซูไม่จําเป็นที่จะต้องเฉด็จไปแล้วก็วางพะหัตหรือแม้กระทั่งเห็นหน้าเห็นตาพระเยซูทรงสามารถกระทําได้ในระยะไกลครับพูดง่ายๆว่ารีโมทคอนโทรนั่นเองพระเยซูรักษาแบบรีโมทคอนโทรนะครับเวลานี้พี่น้องครับถามตัวเองครับเมื่อเราปรารถนาจะให้พระเยซูช่วยเหลือเราเรามีความเชื่อ ก่อนเหตุการณ์จะเกิดไหมหรือว่าเราเกิดความเชื่อหลังจากเหตุการณ์เราเชื่อนะครับว่าข้าราชการผู้นี้เขามีความเชื่อครับเมื่อพระเยซูทดสอบความเชื่อของขาบอกกลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายพิจารณาในที่สุดแล้วข้าราชการผู้นี้กลับไปครับและเขาพบจริงๆว่าบุตรของเขาไม่ตายขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับเพิ่มพูนความเชื่อของเราและเรารู้ว่าพระเยซูนั้นแม้ว่าพระองค์ไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้ชบกับเราในทุกวันนี้ ในฐานะกายภาพทางกายภาพแต่เรารู้ว่าพระเยซูทรงรีโหมดคอนโทรลได้ครับตามน้ำพระทยตามชอบพระทัยของพระองค์อาเมน